เด็กๆ เ, เขาไปภาวนาอยู่โรงยาวน่มันมีคนไปหลอกหลอนเขาสงสัยพระเนี่ยเราจะไปกันหรื อ, อยังไงอ่ะอันชาววาดนี่คงจะไม่มีใครมาหลอกหลอนอย่างนั้นนะมันต้องคนอยู่ในวัดเนี่ย หีหลอกไม่มีแน่คนนี้นะมันหลอกคนอะ่ะอันนี้ก็อันหนึ่งนะถ้าเราจับได้แล้วต้องลงโทษหนักเลยทีเดียวะจะบอกให้นะ่จะไม่ให้อยู่ด้วยขําเลย จะว่าเป็นความผิดเบาๆไม่ได้นะคันลงไปอย่างนั้นแล้วมันมีจิตปฏิพัทธ์กลับมาสุขามโดยตรงเลยมันจึงไปถ้าไม่มีจิตปฏิพัทธ์อย่างนั้นมันไม่ไปกันหรอกต้องสังวรให้ดีนะคุเรกดี มันนำความเสื่อมเสียมาให้แก่วัดว่าอารามไม่ใช่น้อยนะเราต้องพิจารณาถึงคนเสื่อมที่ไม่ใช่เสียในตัวูนเดียวนะเสียหมดทั้งหมู่เลยถ้าเรื่องมันปรากฏ ข, ขึ้นนะ่ะ ไครก็ไม่อยากมาแล้วนันี่มาแล้วูขกรังแกอย่างเนี้ยแต่ถ้าใครไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าใครทำเนี่ยรู้ตัวรวรีบสังวรระวังถ้าหาว่าจับได้ในการต่อไปแล้วก็ มีหวังไม่ได้อยู่กับหลวงปู่นะจะบอกให้อันนี้นบางวัดที่เพื่อนไปรับไปทีมันเป็นอย่างนี้แหละ เรามันต้องรู้ว่าทางคอเสื่อมทางคามเจริญเนี่ยต้องเรียนรู้สิถ้าหาว่ายังจะใฝ่ฝันเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วอย่ามาบวชบอกแล้วหรือว่าบวชมาแล้วทนไม่ไหวลาสึกเดียวนี้ก็ได้เราไม่ห้ามเลยถ้าใครยังพอใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่แล้ว ต้องสำรวมตนให้ดีพวามมุ่งหมายนะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนพึ่งตัวเองให้ได้ แย่าไปคิดพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นอยหมายความว่าไปคอยให้แต่ผู้อื่นตักเตือนตนเราไม่เตือนตนไม่สอนตนทำไปตามหน้าของกิเลสอย่างนี้เรียกว่าคนไม่คิดพึ่งตัวเองเอาำมาพึ่งตัวเองนะที่เนี้ง หมายถึงเราเอาความดีเป็นที่พึ่งนะคำว่าอย่างนั้นอย่าไปเอาความชั่ ว, วเป็นที่พึ่งก็เคยพูดให้ฟังอยู่แต่ครั้งพุทธเจ้าน่ะแต่ทีแรกสำนักนาวิชุนี้ก็อยู่ห่างไกลจากวัดพระสงฆ์ มันต่อมานี่พวกอนตพานมันไปเกิดพลังแกนำพุทุนีเข้าพระศาตราจึงได้ทรงรับสั่งให้ไปเจ้าปอร์เซนต์ในโกศลให้ย้ายสำนักน้ำพุทุนีเข้ามาอยู่ใกล้กันกับพิกสุทโธงดังนั้นวัดของน้ำพุทุนีจึงอยู่ใกล้กันเลย เต แ, แดนติดต่อกันเลยอยงนั้นในทรงให้นางพิษุนีนั้นมาฟังโอวาทของพิษุสงทุกวันคงหมายเอานางพิษุนีที่ยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนั่นแหละบวนมาใม่นางพิษุนีที่เป็นอรหัตอรหันตโอดาสกิตา อนาคาแล้วคงไม่เกี่ยวก็ถึงมีระเบียบมีทธรรมเนียมอย่างนั้นมาเนี่ยเราก็เอาระเบียบอันนั้นมาใช้กันตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอำนวยการมามีอะไรเราถึงมาพูดกันในที่ประชุมนี่ประกาศให้รู้เรื่องกัน ทา ง, งความเสือมมันมีลองคิดดูสิถ้าไม่มีเมชีมาอยู่ด้วยใครยืนไมโครวละ่ะมาทำอาหารในฉันอยู่เนี่ยนั่นต้องคิดดูให้ละเอียดสี่ท้วนจริงอยู่บางวัดเพิ่นไปรับเมชี เพราะว่าวัดนอยู่ใกล้บ้านเพื่อนบินธบาดชาวบ้านเขาไปจังหันไม่ต้องยุ่งกับโรงครัวแต่นี้เราอยู่ป่านี้ห่างไกลจากบ้านชาวบ้านเขามาจังหันไม่ไหวเขามีอะไรเขาก็ถวายอย่างทูกวันนี้แหละมันก็ไม่เพียงพอกันแนตะ่มองในชาวบ้านเขาถวายอาหารมา ต้องอาศัยลงครัวเป็นส่วนใหญ่นี่แม่ครัวนะไม่ใช่น้อยนะทำอาหารนะมันง่ายเมื่อไหร่นะการทำอาหารนะต้องคิดเห็นคุณของแม่ชีให้มากาเเกิดปฏิวัติปฏิพัตรักใข้เข้า ด้วยอำนาจความสนิทสนมกันไปทางไม่ถูกต้องอย่างนั้นนะมันไม่ไม่ใช่ไม่ได้เลยต้องให้นึกทุกคนนะ่ะทั้งชีทั้งพระทั้งเนรเรามาประพฤติพรหมจรรย์นนะมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่ได้มุ่งหวังว่าจะมาเป็นคนคู่มาอยู่ในวัดวาอารามนะ ถ้า ต, ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องมาบวชเยอะแยะไปหาเอาพุทธศาสนานเป็นของสะอาดของบริสุทธิ์แต่มันจะบริสุทธิ์ได้ก็อยู่ที่คนแบบ น, นี้นะแต่คำสอนนั้นดีอยู่แต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติตามคนพวนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ เหมือนอย่างสบู่อย่างนี้นะมันก็เป็นสบู่อยู่นั้นแหะถ้าคนไม่เอาไปถูกายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันก็ทําความสะอาดแก่ร่างกายคนก็ไม่ได้คนไม่เอาไปถูพระธรรมคาสอนก็เหมือนกันถ้าอยู่แต่สําหรับกําลถ้าคนไม่เรียนไม่จําและไม่นําเอาไปปฏิบัติตาม ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่คนเลยแต่พระธรรมก็เป็นของดีอยู่ยนั้นนะเอมันยังทองคำธรรมชาติเม้่อเสด็จจมอยู่ในดินในหินมันก็รักษาคุณภาพของมันไว้อยู่อย่างนั้นมีสีสดใสเรื่มประพัดสอนอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดแต่เมื่อขุดค้นเอา จากดินจากหินมาแปรรูปเป็นเครื่องประดับตกแต่งเข้าไปแล้วมันจึงเกิดมีคุณค่าขึ้นมาและทำคำสอนก็นเช่นเดียวกันนั่นแหละให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธากันทุกคนแล้วจึงได้มาบวช ด, ดังนั้น เมื่อมีศรัทธาชนีดเราก็ตั้งใจทำจริงๆสํารวมตนจริงๆอย่าไปทำเล่นมันจำเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละต้องไปเข้าใจไอ้ผู้หญิงเขาก็อยากพ้นทุกข์เหมือนกันไม่ใช่อยากพ้นทุกข์แต่ผู้ชาย เห็นว่าการอยู่รองเรือนเป็นทุกข์เหมือนกันแลลวกับผู้ชายเห็นิะหนีมาบวชถ้าเราจะไม่รับผู้หญิงอย่างนี้มันก็เป็นการลำเอียงไม่ยุติธรรมอย่างนั้นต้องให้เข้าใจให้ถือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหรือว่า เป็นสหธรรมมิกด้วยกันแปลว่าผู้ประพฤติทำปฏิบัติทำร่วมกันให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคู่รักคู่แค้กันอย่างทางโลกของเขานั่นไม่ใชนะ่ทุกคนอย่าไปคิดอย่างนั้นมัน ผิดจุดประสงค์ของพุทธศาสนาเราต้องพร้อมใจกันประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีสำรวมจิตใจรักษาจิตของตนอย่าให้ความยินดียินร้ายเข้าครอบค้ามเจริญอสุภกรรมฐานบ่อยๆธรรมดาคนหนุ่มเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> พ่อนมเนี่ยรักสวยรักงามอันนี้เป็นสัญชาติกิเลสมันติดตัวมาตั้งแต่อนเนกชาตินูน่นมาวันนี้เมื่อมาชาตินี้เราบุญบา ร, รมีแก่กล้ารงให้เราเข้ามาบวชในอย่างนี้เราก็ต้องมาพิจารณาเห็นโทของกิเลสเหล่านี้ให้มันเต็มที่เลย ใหอยังไงให้เข้าใจให้เตือนตอนเองว่าต น, น, นตกเป็นทาสของกิเลสราคะปัญหานี่มานับชาติไม่้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัานนั่นแหละมานะดูสิแต่สัตว์เดรัยฐานมันก็โม้เมาอยู่ในการมคุณนั่นแหละ แต่เมื่อมันเที่ยวเกิดเที่ยวตายนานเข้านานเข้าอินทรีย์เปนแก่กล้าเข้าไปมันก็ได้เกิดมาเป็นคนอา้าวเกิดมาเป็นคนกับมามัวเมาอยู่ในความของเก่านั่นแหละเป็นอย่างนั้นไอเที่ยวไว้ตกนรกข้อกรรมคุณนี่ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบมาแล้วแต่เราระลึกชาติผนหลังไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละ ถ้าระลึกชาติผลหลังได้เราจะสังเวชตลดใจตัวเองนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ระลึกชาติผลหลังพระองค์ได้พระองค์ก็เคยไปตกนรกมาหลายชาติแล้วเหมือนกันแต่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นไม่ไปอเวจีอเวจีนั้นถือว่าเป็นนรกอันร้อนจัดแล้วก็มีอายุยืนนานมาก แต่พระโพ ธ, ธิสัตว์ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปตกในอเวจีมหานรกไปตกนรกที่ตื้นขึ้นมาลัวนั้นในตำราทางกล่าวว่าเช่นอุจฉธธะนรกอย่างนี้แลยวไม่นานก็พ้นไปได้ก็ว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์ไม่ไม่ทำอนันตริยกรรมห้่า ย, ยัางไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ ไม่ฆ่าพระอาหารหันต์ไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพโลหิตใน ห, ห อ, อกขึ้นไปไม่ทำสงให้แตกจากกันนี่พระบพธิจารย์ไม่ทำกมหนับห้าอย่างเนี้แต่คนธรรมดาสามัญไม่แน่เมื่อวันลกอำนาจแข็งคมโกรกขึ้นมาจนลืมตัวไปอาจฆ่าพ่อฆ่าแม่เมื่อไรก็ได้ ฆ่าพระผู้ที่ท่านได้มรรคใดผลแล้วก็มีโดยที่ไม่รู้ว่าท่านคนนั้นเป็นพระอาราหันต์ก็ไปฆ่าเขาไปอย่างนี้นะก็ไม่พ้นจากอนันตริยกรรมนะไม่พ้นจากอเวจีมหานรกของหมนีถ้าไม่มี พระพุทเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้เลยเพราะพระองค์เห็นแจ้งแล้วถึงได้นำมาแสดงนี่เราต้องเชื่อพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าเราจะปฏิ ญ, ญาณตนเป็นสาวกของพระองค์แล้วคนผู้ที่มีปัญญาเชื่อพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้านั่นแหละ มันถึงไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นกลัวาบาปกรรมอันนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารคนไม่เชื่อพระปัญญาศัตรูของพระเจ้านั่นอยู่ในโลกอันนี้ยมันที่มันเบียดเบียนกันอยู่นะั่นทําลายล้างผลาญชีวิตก็ดีทรัพย์สมบัติของกันและกันก็ดีหมู่เนี้ยมันรว้แต่มันไม่เชื่อคําสอนของพระองค์นะ ไม่เชื่อว่านารกมีจริงผู้นี้นะไม่เชื่อว่าเปลตมีจริงอะไรพวกนี้มันไม่เชื่อองนั้นถ้ามันเชื่ออย่างนี้มันไม่ทําอ่ะผู้ใดเชื่อแล้วผูนั้นไม่ทําเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าศัทธาตรัติโอคังผู้จะค้นจากโอคะเอ่งเก่งกันนดาน ในวตาสงสารนี้ก็เพราะศรัทธาความเชื่ออัปมาเนนะอันนวังผู้จะข้ามพ่วงมหานกพบสงสารได้เพราะความไม่ประมาทนั่นไงความเชื่อเมื่อเราเชื่อวันรกมีจริงมันก็เว้นจากบาปห้าประการนั้นพูดกันตรงๆนะ บุคคลจะไป น, นรกเพราะทำบาปหาประการนั้นอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างนี้ น, นรกนั้นพระองค์เปียเหมือนอย่างห่วงน้ำในมหาสมุทรทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลเล้วก็ลึกด้วยผู้ดใดตกลงไปนั้นแล้วยากที่จะรอดได้ตกลงไปในห่วงมหาสมุทรนั้นแล้ว อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละผู้ใดได้ตกลงไปสู่นรกแลก้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นทุกข์ได้ง่ายเมื่อไรอ่ะพนทุกข์ตรมานอยู่ในนรกนานแต่นานอายุของสนันนิษฐายืนกว่าอายุของเทวดาบนสวรรค์นี่ว่าตามตำรานะเท่าตัวนู่นแหะเช่นอย่างสวรรค์ ชั้นดาวดิงอายุยืนพันปีทิพย์อย่างอายุสัตว์นรกชั้นเพียงอุทสุดพันนรกมูนีอายุสองพันปีทิพนุนได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ ถ้ามันไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้นาไม่มาเลยทรงแสดงไว้เลยเรื่องพวนี้เราต้องเชื่อคนที่ไม่ทําบาปไม่เบียดเบียนบุคคนอื่นแนละสัตว์อื่นอยู่นี่ก็เพราะเชื่ออย่างว่านันนะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระปัญญาตรรู้ของพระองค์ถ้าใครไม่เชื่ออย่างนี้แล้วไม่ฟังมันทําบาปเบียดเบียนกั น, นเดงัน เนื้อบรรดาความทุกข์ทั้งหลายนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็มีให้เห็นอยู่ชัดๆแล้วในปัจจุบันนี้แหละเช่น <c oughs> ความแก่ทรามหม่นี่นะมันก็ปรากฏชัดอยู่แล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอยู่นานปีนานเดือนไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆไปอะแต่ก่อนไม่ได้ถือไม่เท้าเลย นั่นต่อไปแล้วก็ร่างกายมันโ่อนแอลงไปถ้าไม่ถือไม่เท้าช่วยเดี๋ยวก็หกล้มลงไปเกิดอมาตะาขึ้นมาแล้วยิ่งทรมานใหญ่โตมันก็ค่อยสุดท้ไม่เห็นไปอย่างนั้นแหละร่างกายอันนี้แต่คนส่วนมากมันหลงมันเมาแล้วไม่ได้พิจารณาเลย ถึงไม่เกิดความสังเวชสลดใจเบื่อหน่ายู้ปฏิบัติําธรรมเมื่อโที่นาะของหมู่นี้แหละอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นเมืออ่อพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บป่วยไข้ เป็นอารมณ์อยู่เสมออย่างนี้มันจะเกิดนิพพิพาความเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายอันนี้อาผู้ที่ไม่เจ็บไม่ไข้แล่จะให้พิจารณาอย่างไรอะ่ะไม่เจ็บไม่ไข้ก็ลองลองอย่ารับประทานอาหารสักวันหนึ่งลองดอูมันจะเป็นไข้ไหมอะอม ไม่รับประทานอาหารสักวันห น, นึ่งสองวันน่ะเราจะเห็นความไข้น่ะเราจะรู้เลยว่าร่างกายในมีโรคไข่อะไรนั่นโรคแห่งความหิวนั่นเองอันี้ที่มันไม่มีโรคไข่อะไรเบียดเบียนก่อนกอ็เพราะว่ามีอาหารหล่เลี้ยงมันอยู่ทุกวันทุกวันน่ะ มันก็จึงประทังอยู่ได้แต่ถึงกะนั้ น, นมันก็ยังค่อยสุดโทมไปทีละน้อยละน้อยโดยที่เจ้าตัวไม่รู้หรอกน้นจนว่าฟันหลุดผมงอกน่นถึงรู้ว่าเธอเคนแก่บางคนอ่ะเด็นตามัวหูอื้อไปโ น, น่นเวลาตายังใส สว่างหูก็ได้ยินอะไรชัดอยู่อย่างนี้ฟันก็ยังดีอยูไม่รุดไม่หลอนนี่เข้าใจว่าตนยังไม่แก่ยังไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนมาทีแท้โรคภัยเนะีมันเบียดเบียนอยู่ทุกวันนะโรคแห่งความหิวเข้ากระหายน้ำ โรคอยากกลับจากนอนโรคอยากเปลี่ยนอิริยบถนั่งนานก็ไม่ไหวต้องลุกไปเดินเดินนานก็ไม่ไหวยืนนานก็ไม่ไหวนอนนานเกินไปก็ไม่ไหวเนี่ยลองดูที่ร่างกายอันนี้มันเที่ยงมันยังยืนเมื่อไหร่เรา ต้องได้เปลี่ยนอริยบทอันนี้อยู่เรื่อยไปมันยังพอประทังอยู่ได้แต่ถ้าเราลงนอนอย่างเดียวลองดูที่ไม่ต้องทำอะไรแน่อนอนคนนั้นเนะี่ยเอาไปเอามาก็ไปไหนไม่ได้แล้วพนอนอยู่อย่างเดียวนะนร่างกายอันนี้ทุดโงไปหมด ไม่มีทางที่มันจะแข็งแรงอยู่ได้ซึ่งแข็งแรงอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าลุกไปลุกมาทำโน้นทํา น, ôn, านี่อะไรอยู่อย่างนั้นนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างปเปลี่ยนอิริยาบถ อ, อย่างนี้จึงพอประาทังอยู่ได้ถ้าจะ อ, อุปมาแล้วก็เหมือนรถเหมือนระเรือ น, อ น, นั่นแหละเครื่องรถเครื่องเรือมนนี่ ถ้าเก็บไว้เฉยๆไม่ใช้นานไปเนี่สนิมจับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยออต้องได้ล้างเครื่องซะก่อนให้สะอาดปต่ถ้าจับสนิมอะไรต่ออะไรแล้วนั่นใส่น้ำมันหล่อลื่นเข้าไปสตาร์ทเข้าไปมันยังติดใช้ได้ดังนั้นรถล้านี่จึงยังเป็นต้องใช้อยู่เรื่อยไป มีน้ำมันหล่อลื่นเลี้ยงมันไว้อ ย, อยู่นั้นมันก็จึงไปมีกำลังวิ่งไปได้บรรทุกสิ่งของต่างๆไปได้ร่างกายคนเรานี่มันก็เป็นอย่างนั้นเลยในาาธรรมทานยึงเรียกว่าตริรถยนต์นะเครื่องยนต์คือตรี ร, ร่างกายอันนี้เรียบเหมือนกับเครื่องยนต์กลไก แล้วเราพิจารณาดูอย่างนี้หละเสมอเสมอไปเอายังหนุ่มเนี่ยก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละหนุ่นมก็จริงอยู่แล้วนานไปมันก็แก่จะมีอะไรอะ่ะไม่ใช่มันจะหนุ่มอย่างนี้นะี่อยู่เรื่อยไปไม่มีทาง น, นะ <c oughs> ในเวลานี้ไม่เจ็บป่วยไข้ แต่ต่อไปนะ่มันต้องเจ็บไม่ไม่ครั้งหนก็ครั้งหนึ่งนหละมันต้องมีคนเราถ้าไม่เจ็บป่วยไข้ก็ไม่ตายก่อนจะตายมันต้องเจ็บลงด้วยโรคไข้อย่างในอย่างนึ่งตกที่นาะให้มันลึกซึ้งลงไปแล้วความสำคัญจนะเป็นคนหนุ่มเนยะมันจะหายไป มันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นว่าร่างกายสังขารนี้ ม, มันเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วมันก็แปรผันไปในถ้ำกลางแตกลับในที่สุดมันก็เป็นอย่างนี้เนะีะยความจริงของร่างกายมีเท่านี้อะดังนั้นไม่ควรที่จะไปหลงไหลมัวเมาอะไรนักหนา ควรฝึกจิตใจของตัวนี่ให้มันหลุดมันพ้นไปจากความยึดความถือในรูปในนามอันนี้อาศัยการฝึกฝึกทีแรกก็อย่างที่ระเบียบนี้อยู่นะฝึกทําใจให้สงบให้นิ่งวควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจของตัวได้บอกว่าอย่าคิดมันก็ไม่คิด อย่างนี้นะหยุดคิดมันก็หยุดคิดลงได้ <_ d> มเมื่อฝึกคิดให้สงบลงได้อย่างว่ า, านี่นะ ก, ก็ฝึกให้มันคิดพิจารณาความจริงของชีวิตนี่ยเห็นตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นด้วยปัญญาแล้วมันจะเกิดนิพพานควมเมื่อนาฬเมื่อนาฬิสิมองดูสิ่งไหน ส่วนไหนของร่างกายก็มีแ้่ของไม่เที่ยงต้องเยียวยาอาต้องปนปื้อมันอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นไงมันหนึ่งพออยู่ได้พ่าขาดการปนเปือ้ออุปธรรมบำลงแล้วอยู่ไม่ได้เลยต้องแตกต้องทำลายลงนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากัน คิจาจรณาลงไปให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพนี่แหละเป็นทางหลุดพ้นจากทุกไปในสงสารขอจบลงเพียงเท่านี้